กูไม่อยากได้บุญกูอยากได้ของกิน ส, สัมผัสสยองโรงแรมหลอนกลางใจกรุงกูไม่อยากได้บุญกูอยากได้ของกิน ย้อนกลับไปเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนที่เนยจะมารับราชการเนยเคยทำงานเอกชนมาก่อนเนยทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในใจกลางของกรุงเทพตำแหน่งพนักงานบัญชีซึ่งออฟฟิศของแผนกบัญชีอยู่ติดลานจอดรถชั้นสามของโรงแรมส่วนลานจอดรถชั้นสองจะเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ตัวโรงแรมเนยทางานที่นั่นไปเรื่อยเหมือนปกติวันหนึ่ง เนยและรุ่นน้องที่ทางานเดินลงมาที่ชั้นสองเพื่อไปทานข้าวที่โรงอาหารของพนักงานรุ่นน้องบอกว่าพี่หนูได้กลิ่นเหม็นๆอะไรก็ไม่รู้เนยก็ได้กลิ่นนะแต่ก็บอกน้องไปว่าสงสัยหนูตายเดี๋ยวค่อยแจ้งแม่บ้านแล้วก็ไปทานข้าวตามปกติพอทานข้าวเสร็จก็เดินกลับมาทางเดิมเจอคนขับรถของเจ้านายพี่คนขับรถ ก็บอกเหม็นอะไรเน่าๆเลยเดินตามหากลิ่นเดินตามหาจนเย็นก็ไม่เจออะไรแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็มาทำงานตามปกติแล้วกลิ่นนั้นก็แรงขึ้นอีกเท่าตัวกลิ่นทะลุมาถึงชั้นสาแผนกบัญชีเลยทีเดียวเจ้านายเองพอเดินทางมาถึงลงรถมาก็ได้กลิ่นรอบนี้จึงเกณฑ์รอปภของโรงแรม มาช่วยกันหาสักพักก็มีกลิ่นรุนแรงตรงบริเวณระเบียงลานจอดรถชั้นสองเลยให้แผนกช่างไปดูช่างก็ไปสำรวจลักษณะของระเบียงที่จอดรถก็ไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่เพราะเอาไว้แค่เดินเท่านั้นละอาคารที่จอดรถจะอยู่ติดกับบ้านร้างซึ่งบ้านนั้นไม่มีคนอาศัยอยู่เลยส ก, กปรกมาก แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของช่างนั้นก็คือศพมันเป็นศพที่อืดเต็มที่มีนอนชอนชัยยัวเยะอยู่เต็มไปหมดทำให้ช่างถึงกับร้องเสียงหลงเลยทีเดียวจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและมู ล, ลนิธิมาเก็บไปตามระเบียบแต่กลิ่นก็ยังคงอยู่ไม่ค่อยหายไปสักเท่าไหร่เมื่อตรวจสอบแล้วก็สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ก็คือ คนคนนั้นตกลงมาจากตึกคนตายเป็นคนในพื้นที่และได้ขึ้นไปที่ชั้นสิบลานจอดรถของโรงแรมซึ่งทำเป็นชั้นสนุกเกอร์และเครื่องดื่มต่างๆญาติของเขาได้บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่จะชอบเล่นพนันสนุกเกอร์อยู่บ่อยๆวันนั้นเขาเล่นกับคนอื่นจนเกือบตีสองแล้วเสียเงินหมดตัวคงเกิดอาการเครียด เดินออกมาสู่บุรีที่ระเบียงแล้วกระโดดลงไปฝั่งที่คนตายกระโดดจะอยู่ด้านหลังก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นคงเหลือแต่เพียงก้นบุหรีกับรองเท้าของผู้ตายที่กองอยู่บนชั้นเก้าเท่านั้นหนึ่งเดือนผ่านไปจนทุกคนเกือบจะลืมเหตุการณ์ในวันนั้นแล้ววันถัดมาพนักงานจะเข้ามาตรวจสอบบัญชีเนย และพนักงานคนอื่นๆจึงทาล่วงเวลาจนดึกตอนนั้นมันก็เกื อ, กอบจะสี่ทุ่มแล้วก็มีพี่คนหนึ่งแกท้องอ่อนทำล่วงเวลาไปได้หน่อยเดียวก็กลับก่อนพี่เขาหายไปได้สักสิบนาทีก็วิ่งหน้าตาตื่นน้ําตาครอกลับเข้ามาที่ออฟฟิศเนยเลยถามว่าเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่ตอบแล้วพี่คนนั้นก็โทรหาแฟนให้มารับ แกไม่พูดอะไรเอาแต่นั่งร้องไห้จนแฟนแกมารับกลับบ้านไปพวกเนยก็ยังแปลกใจว่าแกเป็นอะไรจนเวลาล่วงเลยไปตีหนึ่งเนยกับรุ่นน้องต้องขึ้นไปเอาบินเก่าของแคทเชียที่โต๊ะสนุกเกอร์แน่นอนว่ามันอยู่ที่ชั้นสิบแล้วจูจ่ๆเรื่องนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในหัวแต่จะไม่ทำก็ไม่ได้ พวกเราจึงชวนกันขึ้นมาสามคนเรากดลิฟต์จากชั้นสามขึ้นไปชั้นสิบก็รู้สึกว่าเวลามันช่างยาวนานเหลือเกินพอลิฟต์เปิดออกก็แท บ, บจะกระโดดออกกันเลยพวกเรากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่ห้องสนุกเกอร์แคทเชียก็หาคููปองเอกสารให้แต่ก็ยังได้ไม่ครบต้องเอาเท่าที่ได้มาก่อนเดี๋ยวจะไม่ทัน จึงทำให้ต้องมีหนึ่งคนที่ต้องอยู่รอส่วนอีกสองคนผลเอกสารลงมาก่อนพี่ร่วมงานอยู่รอเนอยกับน้องจึงลงมาก่อนแล้วยืนกดลิฟที่ชั้นสิบเพื่อลงไปพอลิฟเปิดออกเนยกับน้องก็เข้าไปตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวมากสั่นไปหมดทั้งตัวพอลงมาได้ไม่นานลิฟเจ้า ก, กรรมก็มาเปิดที่ชั้นก้า รุ่นน้องที่มาด้วยก็น่าเสียอย่างเห็นได้ชัดพยายามกดปุ่มปิดแต่มันก็ไม่ปิดให้ค้างอยู่ที่ชั้นเก้าเนยเลยบอกกับน้องว่าวิ่งลงไหมน้องก็ตกลงเพราะพวกเราก้าวขาเดินออกมาจากลิบลิบตัวนั้นมันก็ปิดทันทีแล้วเลื่อนลงไปชั้นล่างซะอย่างนั้นพวกเราสองคนหลอนขนลุกไปทั้งตัว เนยกับน้องรีบเดินจ้ำไปที่บันไดหนีไปเพื่อลงไปชั้นสามระหว่างทางก็ได้ยินเสียงคนกระแอมและเสียงไอน้องบอกอย่าหันไปนะพี่อย่าหันตอนนั้นเนยกับน้องสองคนน้ําตาไหลพาก้าวขาแทบไม่ออกสั่นไปหมดทั้งตัวเหมือนเจ้าเข้าแล้วเสียงนั้นมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อย จนเหมือนกับว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังเนยเนยบอกกับน้องว่าทิ้งงานไว้ตรงนี้ก่อนแล้ววิ่งไหมแต่น้องก็บอกพี่เนยสับเพสับตาให้เขาไหมเนยกับน้องก็เลยท่องสับเพสสัตตาไปเรื่อยๆแล้วเสียงไอก็หยุดไปเนยเริ่มโล่งใจแต่โล่งใจได้ไม่นานเสียงนั้นก็กลับมาอีก กูไม่อยากได้บุญกูอยากได้ของกินเ้าเนยกับน้องก็หันไปพร้อมกันเห็นเต็มๆสองตาสภาพเขาคนนั้นเละมากขึ้นอืดลิ้นจุกปากตาถลนแทบจะหลุดออกมาจากเบามันไม่ต่างกับตอนที่เขาเก็บศพนั่นเลยพวกเราสองคนช็อกมากพอมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็เป็นเวลาตีสี่แล้ว ผู้จัดการบอกกับเนยว่าเนยไปกับน้องนานมากจนคนที่อยู่คนเดียวข้างบนไม่กล้าลงมาเลยแจ้งรปภ อ, ออกตามหาแล้วก็มาเจอที่ชั้นเก้าเนยจึงเล่าให้ผู้จัดการฟังรพร้อมๆกับเพื่อนในออฟฟิศเมื่อได้ฟังแล้วทุกคนต่างกลัวกันไปหมดผู้จัดการก็ยังเล่า ว, ว่าพี่คนที่ท้องที่กลับไปก่อนพอเขากดลิฟต์เพื่อที่จะลงไป ก็ปรากฏว่าลิฟนั้นพาขึ้นไปที่ชั้นเก้าแล้วเปิดออกจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าหิวหิวหิวจังแล้วก็ไอแกจึงรีบกดปุ่มลิฟให้ปิดรัวๆเพื่อกลับลงมาที่ชั้นสามแล้ววิ่งเข้ า, าแผนกไปตอนนั้นที่ยังไม่กล้าเล่าเพราะยังกลัวมากจนไม่อยากพูดถึง พอเช้ามาเจ้านายก็เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลังการตรวจสอบบัญชีจากออดิตเสร็จเรียบร้อยเจ้านายก็เลยจัดให้มีการทำบุญไปให้เขาหลังจากนั้นเขาจะยังคงอยู่ที่นั่นอีกไหมหรือมีใครเจออีกหรือเปล่าเนยก็ไม่รู้เพราะเนยได้ยื่นใบลาออกจากที่นั่นไปแล้ว สหภัสยอง